ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคิตาจารย์ชาวศีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาการตัดใจจากความรักภายในต่อพระพุทธรคิตาจารย์ครั้นแสดงกำลังแห่งกิเลส ด้วยอาการไม่ใช่น้อยอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงการทำลายกิเลสด้วยกําลังแห่งบารมีที่พระมหาบุรุษบาเพ็ญแล้วในชาติอันหาที่สุดมิได้จึงกล่าวว่าอะเมยะกับเปสุในกับนับจํานวนไม่ได้เป็นต้นในคำนั้นเมื่อกับนับจํานวนไม่ได้ก็ไม่จาต้องกล่าวถึงการนับชาติเลยพระมหาบุรุษได้เที่ยวแสวงหาวิเวกเสภความสงัด บำเพ็ญเนคขมะตลอดการประมาณเท่านี้คำว่าฮิตวาคโตรัชสิริงวริถีทรงละสิริราชสมบัติและสตรีผู้ประเสริฐเสด็จจากไปความว่าเวลาที่ทรงสละราชสมบัติอย่างยิ่งใหญ่แล้วทรงเสพความสงัดในมหาชนกชาดกเป็นต้นไม่มีประมาณคำว่าวริธีสตรีผู้ประเสริฐ ได้แก่สตรีผู้สูงสุดมีพระศรีวลีเทวีเป็นต้นคำว่าอนุกลิงวันนยิตังปุรานังพระองค์ตรัสพันนาโทษเล็กน้อยอันเป็นเรื่องเก่านั้นได้แก่พระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตรัสพันนาโทษอันมีประมาณน้อยซึ่งเป็นเรื่องเก่าของพระองค์เพื่อประทานโอวาทแก่ภิจุทั้งหลาย ก็โทษนั้นมีประมาณน้อยดุดยาธิมะที่ตกลงไปในมหาสมุทรแต่มหาสมุทรคือบารมีนั่นแลย่อมมีมากคําว่าวัฏถันหิฉิดดังวิยะตุนนากาโรดุดนายช่างชุนมองดูช่องขาดที่ผืนผ้าความว่าพระผู้มีพระภาคจา้าตรัสพานนาโทษเล็กน้อยอันเป็นเรื่องเก่ามีประมาณน้อยเช่นนั้นเหมือนช่างชุนคลี่ผ้าสาดกออก ตรวจดูช่องที่ขาดฉะนั้นพระพุทธรกษิตาอาจารย์ครั้งแสดงความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงความเป็นไปแห่งมารจึงกล่าวว่าตะดาวะมันตวานะในครั้งนั้นแหละมารคิดแล้วเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตะดาวะมันตะมันตวานะเนี่ยอธิบายว่า ในครั้งนั้นพญามารคือกามเทพผู้เกิดในใจผู้แฝงอยู่ในใจนั้นคิดว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีการมราคะพอกผูนขึ้นแล้วด้วยความประมาทในมหาสมบัติในอัตภาพอันมีในพบสุดท้ายนี้ในบัดนี้เหมือนในกุะชาดกเป็นต้นคำว่ายโสธรังปักขะิโตทะชังวะยกย่องเพื่อนางยโสธราเป็นประดุจธงชัย มีอธิบายว่ายกจ้องพระนะามยโสธรานั้นเหมือนธงชัยที่ปักไว้บนแผ่นดินที่มีชัยของตนคําว่ามัตโตชิโตมฮีติปมัตตพันทุมารผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทเผลอไปคิดว่าเราชนะแล้วมีอธิบายว่ามารผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาททั้งหลายประมาทเผลอไปคิดว่าเราชนะเจ้าชาย สิท ธ, ธัตถะเราชนะเจ้าชายสิทธัตถะแล้วคำว่านาปสิยานาสนิปาตะมันตรังมองไม่เห็นเหตุแห่งพระญาณพระดุษสายฟ้าอธิบายว่ามองไม่เห็นเหตุได้แก่การะณะหรือช่องคือการเห็นบุรพานิมิตสี่อย่างอันเป็นเหตุตกลงแห่งสายฟ้าคืออาทีนวานุปสนาญาน อันสามารถเผาการมราคานุสัยโดยประการทั้งปวงอย่างปราศจากเท่าอาธีนวานุปัสนาญาณก็คือเป็นปัญญาที่ตามเห็นโดยความเป็นโทษมีอธิบายว่าถ้ามารพึงรู้ก่อนแลก็จะไม่ต้องเนรมิตอุทยานไว้ภายในพระราชนิเวศปรเลเ้าปรลรมพระมหาบุรุษนั้นด้วยกามแล้วให้เสด็จออกไปภายนอกเพราะพระมหาบุรุษเสด็จออกไปภายนอก ได้เห็นนิมิสตสีประการสำหรับมหาชนกชาดกที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีก็คือเป็นวิริยะบา ร, รมีนะพระมหาชนกก็ครองราชสมบัติอยู่ถึงเจ็ดพันปีครั้งหนึ่งทรงเกิดความสังเวชเนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกทำลายส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลคงยืนต้นอยู่อย่างเขียวงดงามทรงพิจารณาเห็นราชสมบัติ เป็นดูดต้นมะม่วงที่มีผลการบวชเป็นดูดต้นมะม่วงไม่มีผลจึงทรงสละราชสมบัติออกบวชเข้าป่าหิมะพานบำเพ็ญพรตจนสำเร็จอภินยาห้าสมาบัติแปไม่เสด็จกลับมาทินมนุษย์อีกเลยสวรรคตแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกแล้วก็ชาติที่เป็นมหาชนกนะหลังจากที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรนะแต่ว่าก็นางมณีเมขลาเทพีดาประจาสมุตก็มา สนทนามาปราศัยมาทักถามมาอกล่าวให้เกิดอการบรลลือศีนาะของพระโพธิสัตว์นะผมว่าท่านไหว้ไปใหญนะท่านไหว้ไปก็ตายเปล่าคนอื่นๆเขาก็จมกันไปหมดแล้วท่านมามัวๆไหวยอยู่ทําไมอพระโพริสัตก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยนะก็บอกว่านี่แหละเป็นความเพียรของรูปผู้ชายแลแหละถึงมาไหว้ไม่ถึงฝั่งตายกลางมหาสมุทรนี่ก็ไม่ถูกติดเทียนจังหมูญาติว่าเป็นคนที่ขี้แพ้นะเป็นคนที่ ไม่มีความเพียรไม่มีไม่มีใครติเตียนได้ต่อไปบัดนี้พระพุทธรกิตาจารย์เมื่อจะพนานานิพพิธานุปัส น, นาญาณก็คือญาณปัญญาในการตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายประดุษายฟ้าจึงกล่าวคำว่าิศวนะดุขขานะละสำพวังพวังทรงเห็นพบอันเป็นแดงเกิดแห่งเพลิงทุกข์เป็นต้น ในคำนั้นมีอธิบายว่าทรงเห็นพบแดนเกิดแห่งไฟคือทุกข์มีการเกิดเป็นต้นได้แก่ทรงเห็นอัตภาพที่รุ่งเรืองชดช่วงตลอดเวลาด้วยไฟคือทุกข์มีการเกิดในนรกเป็นต้นในชาติที่เกิดในสามภพก็คือทั้งการมาภพรูปภพแล้วก็อรูปภพคำว่ากตวาตะดุปปาดะกันังขะพังคัง ทรงทำลายความรักที่เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกนั้นความว่าทรงทราบแล้วว่าทุกแม้ทั้งหมดนั่นเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งตันหาจึงทรงทำลายกิเลสที่จะยังทุกนั้นให้เกิดขึ้นทรงละทิ้งพระนางยโสธราผู้มีฐานแต่งตึงและริมพระโอสถอิมเสด็จไปตู่หนทางที่พาไปถึงพลังของพระพุทธเจ้าคืออันเพิ่มกําลังให้แก่พระพุทธเจ้า คืออันเพิ่มกําลังให้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระนิพพานคําว่ามัณังขือเหตวาณนะครองใจความว่ามานคือการบราคะชนะมาแล้วคือได้รับชัยชนะมาแล้วครองใจคือยึดเหนียวใจของสัตว์ไว้บัดนี้พ่ายแพ้แล้วต่อพระโพธิสัตว์ผู้โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนบัณฑิตจะพึงรู้ว่ามานั้นพ่ายแพ้แล้วได้อย่างไร เหตุนั้นพระพุทธรกิตาอาจารย์จึงกล่าวว่าตดาคัโตโสณปุนาคัโตวะในครั้งนั้นมานั้นจากไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอธิบายว่าในครั้งนั้นมานพอเห็นพระมหาบุรุษผู้ทรงเห็นประการอันแปลกของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงได้สังเวคยานก็สะระใจเงินนะัน มาอุตส่าหมาภาคเพียนจะมาทำให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยมัวเมาประมาทอยู่ในการทั้งหลายแต่ก็สามารถที่จะละทิ้งหญิงละทิ้งสมบัติต่างๆออกไปได้ตัวเองก็เลยสะดใจสเสด็จลุกจากที่บรรทมด้วยทรดยงดำริว่าวันนี้เราจะบวชสังเวขยาณ น, นี่ของใครเอ่ยของพระโพธิสัต์นะเนี่ยอธิบายว่าในครั้งนั้นมารพอเห็นพระมหาบุรุษ ผู้ทรงเห็นปอาการอันแปลกของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงได้ความสังเวชแล้วทรงได้สังเวคยานสเสด็จลุกจากที่บรรทมด้วยทรงดับริว่าวันนี้เราจะบวชจึงกลัวแล้วหนีไปในครั้งนั้นพระโรพธิสัตว์นี้เกิดสังเวคยานนะสังเวคยานนี้ก็หมายถึงปัญญาที่เป็นไปพร้อมกับอดตะปะอดตะปะก็คือความกลัวเองความสังเวชความกลัวภยัยต่างๆที่เป็นไปพร้อมกับยานเขาเรียกว่าสังเวคะ สังเวทนะตกลงก็ไม่ใช่สังเวทของพญามาสังเวทของพระโพธิสัตว์เพราะว่าเห็นประการอันแปลกของหญิงเหล่านั้นแล้วก็เสด็จลุกจากที่บรรทมด้วยทรงตริว่าวันนี้เราจักบวชจึงกลัวแล้วหนีไปในครั้งนั้นพญามานนะกลัวแล้วก็หนีไปคือในขณะนั้นไม่กลับมามองดูแม้ชั่วขณะหนึ่งในชาตินั้นอีกเลยนี่ก็หมายถึงเจ้าตัว มารก็ได้แก่การมตัญหาการมราคะในใจเหตุนั้นบัณฑิตพึงทราบว่ามารพ่ายแพ้แล้วอย่างแน่นอนนั่นเทียวการที่พระโพธิสัตได้เห็นนิมิตสี่ประการพระมหาบุรุษทรงเห็นนิมิตสิประการก็ได้แก่คนเจ็บคนแก่คนตายคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็บรรประชิตนะที่เทวทูตเนระมิตขึ้น แล้วได้อาทีนวานุปัสยาอาทีนวานุปัตนาญาณเห็นด้วยความเป็นโทษก็คือญาณที่เห็นโทษของสังขารว่ามีข้อบกพร่องกระขนได้ทุกเช่นเห็นสังขารปรากฏเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหมก็เป็นปัจจัยแก่อาทีนวายาณนะซึ่งจริงแล้วก็ไม่เห็นโดยความเป็นโทษแล้วก็เห็นด้วยความเป็นภัยด้วยแล้วก็จะทําให้เบื่อน่ายก็เป็นญาณอันเดียวกันแต่ว่าก็เป็นกําลังที่เพิ่มขึ้น บัดนี้พระพุทธรักษิตาจารย์เมื่อจะแสดงความที่มารพ่ายแพ้อย่างแน่นอนจึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันชื่อว่าไม่มีคำอื่นแทรกในคำว่าดิสวาณายานาสนิปาตามันตรังเห็นเหตุแห่งพระยานเป็นประดุษสายฟ้าเป็นต้นอธิบายว่าทรงเห็นเหตุตกแห่งพระยานประดุษสายฟ้าตามในที่กล่าวแล้วในตอนต้นคาว่าตถาคต จึงเสด็จไปอย่างนั้นอธิบายว่ามานั้นสิ้นหวังหนีไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างที่หนีไปแล้วไม่อาจจะกลับมามองดูอีกคำว่าโสนั้นโสมระวัณ น, น, นั้นนะในบทที่สามได้แก่พระโพธิสัตว์ก็ต้องโยกพระโพธิสัตว์เข้ามาโพธิสัตว์โตคำว่าดิสวาณญาณสัณิปาตะามัทธรังทรงเห็นเหตุแห่งสิ่งที่ไม่ใช่พระญาณ เป็นประดุดสายฟ้าความว่าความไม่รู้คือโมหะชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่พระยานความไม่รู้นั้นเป็นประดุดสายฟ้าเพราะนําความทุกข์ทั้งหมดมาให้เพราะเป็นที่ตั้งแห่งบาปทั้งปวงเพราะกําจัดกุศลทั้งปวงเพราะทําอันตรายต่อการปฏิบัติมีคําที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าพระมหาบุรุษทรงเห็นความเกิดขึ้นแห่งกิเลสกรรมในวัตถุการมทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุตกแห่งความไม่รู้ประดุดสายฟ้านั้นทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นธรรมที่ก่ออันตรายให้โดยส่วนเดียวจึงเสด็จไปอย่างนั้นไม่เสด็จกลับมาอีกเลยคือพระองค์ไม่เสด็จกลับมาระลึก ถ, ถึงยศสิรินั้นอีกเลยอธิบายว่ามานั้นเห็นเหตุตกแห่งอาทีนวายาณประดุดสายฟ้าแล้วก็หนีไปก็อวิชานะ ก็หนีปัญญาแน่นอนถ้าปัญญาเกิดตวิชาก็ดับพระโพธิสัตว์เห็นเหตุตกแห่งโมหะกระดุดสายฟ้าแล้วสเสด็จหนีไปมารและพระโพธิสัตว์แม้ทั้งสองนั้นหนีไปอย่างนั้นแล้วไม่กลับมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกเลยก็มารก็หนีพระโพธิสัตว์ไปจากใจของพระโพธิสัตว์นะส่วนพระโพธิสัตว์ก็หนีพยามารโดยที่สเสด็จออกพิธีสกรมแล้วก็ ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่เคยมาเจอะเจอกันอีกเลยอันนี้ก็หมายถึงกิเลสมานพระพุทธรักษ์กิตาจารย์ครั้งแสดงความที่พระโพธิสัตว์ทรงทําลายกิเลสกรรมได้อย่างนี้แล้วสเสด็จออกผนวดบัตนี้เมื่อจะแสดงว่าคนบางพวกแม้บวชแล้วเมื่อไม่สามารถทํากิจแห่งบรรพชิตให้สําเร็จย่อมหวนกลับมาประพฤติเพื่อความเป็นคนเลวส่วนการสเสด็จไปของพระโพธิสัตว์นี้ เป็นการเสด็จไปที่มีประโยชน์แน่นอนจึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันไม่มีบทอื่นแทรกสามบาทว่าตถาคตเฉระมะโหสิตัสการไปอย่างนั้นของท่านผู้เยือกเย็นช่างน่าอัศจรรย์เป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าตถาคตังการไปอย่างนั้นในแก่การไปของพระโพธิสัตว์ผู้ทำลายกิเลสก ร, รมแล้วเสด็จไป อย่างที่กิเลสกรรมถูกทําลายแล้วจะไม่กลับมาอีกคําว่าอเฉระมะโหช่างน่าอัศจรย์ได้แก่ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจร์ช่างเป็นสิ่งที่น่ากระยิมใจอธิบายว่าความอัศจร์นั่นเองคือความอัศจรเช่นนั้นไม่มีในโลกไหนไหๆใครนะสามารถที่จะทิ้งสมบัติจั ก, กรพัทแล้วก็สตรีทั้งหลายที่เป็นที่ประชุมของการปรคุณห้า แล้วก็คุ้มทรัพย์ต่างๆมากมายนะไปออกไปบวชนะสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่สละได้ยากแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนคุ้มค่าก็คือได้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอนุเคราะห์ชาวโลกคำว่าสิตัตสะของท่านผู้เยื่เยน็นได้แก่ของพระโยคีผู้มีธรรมขาวอีกอย่างหนึ่งเชื่อมความว่า การไปอย่างนั้นของท่านผู้เยือเกียรตนั้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์คําว่าตถาหิจริงอย่างนั้นใช้ในการรับรองคําที่กล่าวแล้วอธิบายว่าคํานั้นย่อมมีอย่างนั้นนั่นแลมะอัศรในคําว่ามาโรปิตะดาหะสันติความสงบจากความเร่ร้อนที่พระมหาบุตรทรงสร้างขึ้นเกิดจากการสนธินะมะอัศรคําว่าอารโอปิตังสร้างขึ้น ได้แก่ทรงยกไว้ในสันดาน์ของพระองค์คำ ว, ว่าดาหาสันติงความสงบจากความเร่าร้อนได้แก่ทางแห่งความสงบอันทําความเร่าร้อนเพราะกิเลสให้ดับไปเชื่อมความว่ากิเลสทั้งปวงวัตตุกทั้งหมดย่อมถึงความสงบพินาศไปด้วยทางแห่งความสงบใดทางแห่งความสงบนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับนั่งบนโพธิบัลลังแล้ว ยกขึ้นไว้ในพระขันธสันดานของพระองค์ความสงบคือพระนิพพานเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างนั้นนั่นแลอธิบายว่าชนแม้เหล่าอื่นผู้มีปกติกล่าวถึงนิพพานโดยประการเป็นอันมากก็มีอยู่พระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงได้เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์กว่านิพพานของชนอื่นเพราะไม่มีใครที่จะโต้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสดงความสงบ อันพระองค์ได้แล้วอย่างนั้นในท่ามกลางบริษัทแ8ดบริษัทแ8ดก็คือพิกสุบริษัทพิกสุนีบริษัทอุบาสกอุบาสิกาขัติยะคือกษัตริย์พราหม์บริษัทระบดีบริษัทแล้วก็สมณะบริษัทนะนี่ก็เป็นบริษัทในยะหนึ่งแต่ว่าก็จะมีในยะอื่นเลยนะก็คือพวกาจารุมหาราดดาวดึงมานพรมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนะแล้วก็สมณะนัก็จะมีมีสองกลุ่มบริษัทสองกลุ่มนะ อันนี้ก็เอาตอกศพิกษชนีอุบาศกบัญชาซึ่งเป็นพุทธบริษัทสแล้วก็ขัติยะพราหมนาขบดีแล้วก็สมณะซึ่งจริงแล้วนี่ก็ข้ า, ขาบดีนี่อยู่นะอุบาศกก็เป็นเคข้าบดีเหมือนกันนะออุบาศกนี้กว้างอุบาศกก็รวมกษัตรย์กษัตริย์ก็ได้รวมพราหม์ก็ได้เทั้ะนั้นก็จะมีบริษัทแปดอีกระยะหนึ่งก็คือเอาพวกกระตุมดาวดึงอแล้วก็พวก อกรมนั่นก็เป็นบริษัทแอีกอย่างหนึง่งต่อไปเพราะพระองค์ทรงปราบมาปราบมานวะสะวรตีเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงปราบมานวะสะวรตีเช่นนั้นผู้เป็นใหญ่ในกามาจืจรสวรรค์หกชั้นผู้สามารถรู้จิตใจได้ด้วยจิตคิดได้ด้วยจิตใจนะ ให้พ่ายแพ้แล้วทรงทำให้หมื่นโลกธาตุวันไหวยังเทวดาและพรหมเป็นต้นให้บรรลือลั่นทรงชำระมนฑินคือสังกิเลตทั้งสิ้นแล้วได้เฉพาะก็พวกมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายผู้ฟังธรรมนั้นแล้วยกพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าความสงบจากความเราร้อนขึ้นไวในหทยัยไม่มีประมาณเลยความสงบจากความ ร, าร้อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสระสมบัติเห็นปานนั้นแล้วเสด็จไปยกขึ้นไว้ในหัตถ a ยของพระองค์และในหัยของชนเหล่าอื่นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างนั้นเหมือนกันโดยไม่ต้องสงสัยคือโดยส่วนเดียวเท่านั้นพระพุทธรักษิตาจารย์ครั้นแสดงคุณที่พระมหาบุรุษนั้นทรงได้แล้วอย่างนี้บัตรนี้เมื่อจะพรรณนาเกียรติคุณที่แผ่ไปในโลกทั้งสิ้นของพระมหาบุรุษนั้นจึงกล่าวบาต ท, ที่สามแมนั้นนั่นแหละว่า ตถาหิมาโรปิตดาหะสันติงจิงอย่างนั้นแม้มารก็กล่าวถึงความสงบในครั้งนั้นในคําเหล่านั้นคําว่ามาโรปิแม้มานได้แก่แม้วัสวัตติมารในครั้งนั้นมานนั้นกล่าวถึงความสงบของพระมหาบุรุษนั้นในการนั้นได้แก่พันน า, นาคุณคือความสงบของพระมหาบุรุษคําว่าตดาในครั้งนั้น ได้แก่ในการใดพระโพธิสัตว์ทรงทำลายกิเลสกรรมแล้วสเสด็จออกมหาพิเนสกลมในมัชชิมยามเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นสเสด็จไปอยู่วัสวัตติมานได้ถือพระขันยืนรุ่งโรจน์อยู่ในอากาศกล่าวห้ามด้วยคำว่ามหาราชพระองค์จงอย่าสเสด็จไปพระองค์จงอย่าสเสด็จออกไปเป็นต้นแม้พระโพธิสัตว์ก็กล่าวด้วยคำว่ามานเรารู้ว่าจักรรัตนะ จะปรากฏแก่เราเป็นต้นห้ามมานั้นแล้วก็เสด็จออกไปครั้งนั้นมานกล่าวว่าพระองค์ไม่เชื่อคำของข้าพเจ้าจะเสด็จไปข้าพเจ้าจะใช้พระขันธ์นี้ตัดศีรษะของพระองค์ในเวลาที่กามาวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแก่พระองค์มองหาช่องทางอยู่ตั้งแต่นั้นมามองหาช่องทางอยู่ถึงหกปีเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จมาสู่โพธิบัลลังก์ทรงต่อสู้ด้วย ก็พ่ายแพ้แล้วมองหาช่องทางพระพธิสัตว์ที่ตัดสุรุเป็นพระพุทธเจ้าตลอดหนึ่งปีก็ไม่เห็นความผิดพลาดอะไรๆเกิดเบื่อนายจึงนั่งขีดแผ่นดินในหนทางใหญ่แห่งหนึ่งนั่งคิดถึงพระพุทธคุณอยู่ครั้งนั้นที่ดามานมาสอบถามว่าสมมุติเทพทำไมท่านจึงนั่งอย่างนี้จึงกล่าวตอบว่าพวกเจ้าไม่รู้หรือสิทธะล่วงเลยวิสัยของเราไปแล้ว ที่ดามานกล่าวกับมานว่าส ม, มุติเทพทำไมท่านจึงไม่บอกให้พวกดิฉันทราบจนการเวลาล่วงเลยมาจนบัด น, นี้บุรุษที่ไหนเห็นพวกดิฉันแล้วจะไม่กำหนัดรักให้พวกดิฉันจะใช้บ่วงกามภูกบุรุษนั้นแล้วนำมาเมื่อมารจะพันน า, นาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวจึงกล่าวว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมานได้แล้ว ใครๆพึงนำมาด้วยราคาไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากเราติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทุกๆก้าวตลอดเจ็ดปีก็ไม่ได้พบเห็นโทษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีส ต, ติกาเห็นก้อนหินมีสีเหมือนมันข้นจึงบินโฉบลงด้วยคิดว่าเราพึงได้อาหารโอชะในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงเกิดขึ้นโดยแท้ กาไม่ได้ความยินดีในที่นั้นจึงโผบินไปจากที่นั้นข้าแต่พระโคโดมข้าพระองค์ก็เหมือนกามาพบก้อนหินฉะนั้นขอจากไปก่อนก็พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายผู้จะแสดงคาถานั้นจึงกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเมื่อมานั้นกำลังเศร้าโศกมากพินที่หนีบอยู่นั้นก็ตกลงจากรักแร้ลำดับนั้นมานั้นผู้เสียใจ ได้อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองมานครั้นพนานาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้แล้วเมื่อเดินไปก็ไม่รู้ว่าพินซึ่งหนีไปที่รักแล้ตกไปพระพุทธรัตคีตาจารย์เมื่อจะแสดงเนื้อความนั้นจึงกล่าวว่ามาโรปิตดาหะสันติงแม้มานก็กล่าวถึงความสงบในครั้งนั้นอปิจับในคําว่ามาโรปิตดาหะสันติงนั้น ใช้ในความหมายว่ายกย่องเพราะเหตุนั้นพระพุทธรัตคีตาจารย์จึงแสดงคํานั้นไว้แม้หมานนั้นถึงเป็นค่าศึกอย่างนั้นยังไม่แทงประดอดคุณในพระศาสนาก็ยังพนานาคุณของพระพุทธเจ้านั้นไม่จําต้องกล่าวถึงการชมเชยของเทวดาและมนุษย์เหล่าอื่นเลยเชื่อมความว่าการเสด็จไปของพระมหาบุรุษนั้นเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างนี้นั่นแหล พระพุทธรักิตาจารย์ครั้นพันานาเกียรติคุณที่แผ่ไปในโลกทั้งสิ้นของพระมหาบุรุษนั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะปฏิเสธคำนั้นว่าแม้คุณที่ไม่จริงของใครๆก็ย่อมปรากฏแล้วแสดงความบริสุทธิ์แห่งพระไทยของพระมหาบุรุษนั้นว่าก็คุณของพระมหาบุรุษนี้เป็นของจริงเป็นของแท้เป็นสิ่งไม่วิปริ์เลยจึงกล่าวบาทแม้ที่สีน่นั้นนั่นแหละว่า ตถาหิมาโรปิตดาหะสันติงจึงอย่างนั้นพระมหาบริษัมิได้ทรงยกความเรื่อเริงขึ้นในครั้งนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตาดาในครั้งนั้นมีอธิบายว่าในการใดพวกที่ดามานพากันไปตามในที่กล่าวแล้วปรากฏกายอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสด็จอยู่ในที่สลัดแล้วกราบทูลว่า พระสมณะผู้ดิฉันจะช่วยปรนิบัติแท่พระยุคลบาทของพระองค์ได้เนรมิตเป็นหญิงสามนางนี้คือนางตันหานางอรดีนางราคาให้มีสามวัยแล้วพยายามทำให้พระพุทธเจ้านั้นทรงยินดีด้วยอาการรื่นเริงการยั่วยวนการเจรจาการฟ้อนการขับการประโคมและการยื้องกลายอย่างหญิงเป็นต้นพร้อมกับพวกพร้อมกับพวกเทพที่ดาจานวนมาก ในการนั้นคำว่าหะสันติงความรื่นเริงอธิบายว่าบัณฑิตปึงทราบโดยประการว่าที่ดามานผู้มีอาการรื่นเริงเป็นต้นเหตุนั้นในการนั้นพระผู้มีพระภาเจ้าทอดพระเนตรเห็นที่ดามานผู้รื่นเริงคือผู้ทาอาการร่าเริงเป็นต้นก็ไม่ทรงยกคือไม่ทรงวางเรื่องนั้นไว้ในพระทัยของพระองค์ได้แก่ ต้องปิดจักรุไม่ทอดพระเนตรที่ดามานนั้นที่ดามานเหล่านั้นได้รับความเก้อเขินเสียเองจึงพากันจากไปพวกที่ดามานนี่คิดว่าพวกบุตรนี้มีควา ม, ม, วามปรารถนาแตกต่างกันบางพวกก็ชอบเด็กสาวบางพวกก็ชอบสาวรุ่นบางพวกก็ชอบอก็ชอบสาววัยกลางคนบางพวกก็ชอบสาวถงอายุแล้วได้เนรมิตหญิงสามวัยคือหญิงวัยรุ่นหญิงวัยกลางคนแล้วก็ หญิงวัยสูงนะหลายๆหลักๆเพื่อจะดูซิว่าจะชอบประเภทไหนแต่ว่าผู้ผู้ผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ไดสนพระไทยเลยนะก็ะผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระไทยบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะเหตุนั้นการเสด็จไปของพระพุทธเจ้านั้นผู้ทรงสละนางแก้วเห็นป่า น, นั้นแล้วทรงยกพระบาทนั้นเสด็จไปจึงเป็นสิ่งน่าอาัศจรรย์แท้ทีเดียว พระพุทธรักษีตาจาร์รั้นแสดงความอัศจรรย์ในการเสด็จไปของพระมหาบุรุษนั้นผู้เสด็จไปแล้วด้วยประการอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงการทำลายกิเลสกรรมพร้อมทั้งอนุัสจึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันจำนวนมากเชื่อมความได้ยากว่าสกามดาตาวินยามนันตะคูทรงให้พร้อมกับสิ่งที่น่าใคร่ทรงถึงที่สุดแห่งใจเพราะทรงฝึกฝน ในคำนี้มีการยกเนื้อความอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าสะมีความหมายสามอย่างคือนั้นสะก็แปลว่ามาจากคําว่าโศก็ได้ตัวว่านั้นของตนมาจากคําว่าสะกะก็ได้นะแล้วก็พร้อมกันมาจากคําว่าสะหะก็ได้ก็คือฟุตโนตว่าสะในข้อความว่าสกามะดาตาใช้เป็นวิเศสณะ สัมาจากคําวัโสซึ่งลบสละโอเพิ่มคําว่ามหาปุริโสเข้ามาเป็นสัมหาปุริโสก็คือโยกคําว่ามหาปุปริโสเข้ามานะแปลว่าพระมหาบุรุษนั้นให้สิ่งที่น่าใคร่ส่วนสัทที่สองก็เป็นนามมาจากคําวัสดกสกัดสั ก, กาโมสักาโมสมาร์เข้ากับดาตาเป็นสกามะดาตาแปลว่าให้สิ่งที่น่าใคร่ของตน ส่วนะที่สามก็เป็นนิบาศมาจากคาว่าสหสมาดกับคําว่ากามะเป็นสกกา마แล้วสมาดกับดาตาอีกทีหนึ่งเป็นสกกามาดาตาก็แปลว่ามีสิ่งที่น่าใคร่มอไพ่ข้าฉันก็แปลได้สามความหมายเลยนะสร์ว่ากาใช้ในความหมายว่าวัตถุกามในความหมายว่ากิเลสกามในความหมายว่าส่วนเดียวก็ได้นะคำว่ากา마เนี่นะเป็นนิบาศก็ได้นะนิบาศไม่แปลว่าโดยแท้หรือแปลว่าส่วนเดียวก็ได้ ในความหมายว่าตามปรารถนาในความหมายว่ากามราา ม, ม า, า, ามพบเอาได้อีกหลายความหมายเลยนะและในความหมายว่าการมาปจรธรรมนะตัวกลงก็ได้หกความหมายเลยอการหมายถึงกิเลสการก็ได้วัตถุการก็ได้หมายถึงนิบาศแปล ว, ว่าโดยแท้ก็ได้แล้วก็หมายถึงการมาพบหมายถึงก า, มารมาประจรธรรมเมื่อจะถือเอาเนื้อความว่ามหาบุรุษใดพระมหาบุรุษใดเป็นไปกับด้วยสิ่งที่น่าใคร้ทั้งหลาย พระมหาบุรุษนั้นชื่อว่ามีถึงที่หน้าใคร่บาปทำทั้งปวงกับการมตัิหาก็เป็นอันท่านถือเอาแล้วมีอธิบายอีกว่าอวัยวะและชีวิตพร้อมกับวัตถุอันเป็นที่รักทั้งหลายของตนคำ ว, ว่าดาตาผู้ให้ได้ แ, แก่ทายโกผู้มอบให้อีกอย่างหนึง่งนำอักษรมาสมัดกันเป็นอดาตามีความหมายว่าวินาเสตา คือทําให้เสียไปอดทาธใช้ในความหมายว่ากินคําว่าพักขนังการกินได้แก่การทําให้หมดไปวิอกักตรที่อยู่ตรงกลางเชื่อมคําว่าดาตาวีบ้างเชื่อมคําว่าวินยาบ้างเนื้อความแห่งวิเนยะศัตว์รวมเอาวินัยปิดกอภิธานปิดกและสุตตันตปิดกผ้าไว้ด้วยเพราะในแห่งอัดคือความหมายแม้ทั้งหมดจัดเข้าในแห่งศัพท์ มณตสัพในคาว่ามนันตะคูตรงถึงที่สุดแห่งใจนี้ใช้ในความหมายว่าจิตบ้างใช้ในความหมายว่าขณะบ้างใช้ในความหมายว่าการมราคาบ้างอันตะสัพใช้ในความหมายว่าที่สุดบ้างใช้ในความหมายว่าภายในบ้างใช้ในความหมายว่าเลวบ้างคูสัพมีความหมายว่าไปบ้างมีความหมายว่ารู้บ้างที่สุดแห่งใจชื่อว่ามนันตะอีกอย่างหนึ่งใจอันเป็นที่ตุดชื่อว่ามนันตะ พระพุทธเจ้าทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งใจนั้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่ามะนันตะคูได้แก่บรรลุอนุปาธาปาริมิพานการดับโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานไม่มีเหลือเลยะไม่มีความยึดมั่นนะการดับโดยที่ไม่มีความยึดมั่นการดับโดยรอบโดยที่ไม่มีความยึดมั่นอุปาทานอุปาธาเป็นความยึดมั่น หรือถึงความสำเร็จแห่งความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งนําอะสอรมาสนธิกับมาสนธิกันเป็นอะมะนันตะคูแปลว่าถึงใจอันไม่มีที่สุดถึงภาวะอันไม่เลวซามอีกอย่างหนึ่งธรรมะอะสอรให้เป็นสนธิเป็นมะนันตะคูแปลว่าที่สุดแห่งใจนั้นไม่มีเหตุนั้นจึงชื่อว่าอะนันตะไม่มีที่สุด นิพพานก็ดียานที่เป็นไปในเยยธรรมก็คือสัพพายุตยานนั่นเองอันไม่มีที่สุดก็ดีชื่อว่าไม่มีที่สุดเพราะเว้นจากที่สุดแห่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปชื่อว่าอนัน ต, ตะคูเพราะถึงสิ่งอันไม่มีที่สุดนั้นครั้นทราบการยกเนื้อความขึ้นอธิบายดังพรนน า, นา ม, มาดังนี้แล้วบัดนี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความที่เชื่อมกันคาว่าอนัตะคูพูดพูดถึง สิ่งอันไม่มีที่สุดได้แก่ผู้รู้ว่าอนุปาทาปริณิพานมีอยู่ท่านกล่าวอัธยาศัยที่สลัดออกก็คือเนคขมัตยาศัยอขอโทษนิสระ น, ะนันิสระนัตยาศัยนะนิสระนังเนี่ยมีความหมายสองอย่างก็คือนิสระติเอเตนาตินิสระนังอริยมรคนะหมายถึงอริยมรเป็นเครื่องสลัดออกทําเป็นเหตุให้สลัดทุกข์ออกไปคืออริยมร กาบนิสระตีติวานิสระนังนิปานังทำที่ออกไปจากทุกคือนิพานอนิสรณะนในที่นี้นี่มาถึงมรรคก็ได้นิพานก็ได้นะโดยที่อย่างเช่นเนติปิกรณ์ก็ตามหรือว่าในสันทวารวัตรในอจต้าอจตนะสลายจตนาวัตรในอัญญุตนิกายก็แสดงไว้พิจารณาขันอจตนะโดยอาศทะอธิวะนิสรณะนนะ นิสระนั่นแหละหมายถึงมรรคกับนิพพานนะหมายถึงมรรคกับนิพพานก็คําว่าอนัตตะคูพูดถึงสิ่งอันไม่มีที่สุดได้แก่ผู้รู้ว่าอนุปาฏาปริยพานมีอยู่ท่านกล่าวอัธยาศัยที่สลัดออกนะแต่ว่านี้หมายถึงว่านิสณะคือมรรคกับนิพพานซึ่งมีธรรมทั้งหมดเป็นมูลของพระมหาบุรุษนั้นด้วยคําว่ามณันตะคูนี้ถามว่า ก็อัตยาสายนั้นของพระมหาบรุษนั้นได้มีแล้วในการใดตอบว่าได้มีแล้วในการที่สวยพระชาติเป็นสุเมทะบัณฑิตคือในเวลาที่สุเมทะบัณฑิตนั้นนั่งอยู่บนพื้นประาสาัทพิจารณาถึงเหตุนั้นๆแล้วกล่าวว่าเมื่อพบมีอยู่อย่างนี้แม้วิภพก็เป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาคิดอย่างนี้อีกว่าทางนั้นมีอยู่และจักต้องมีทางนั้นไม่อาจเป็นเหตุหามิได้ เราจัดสแสวงหาทางนั้นเพื่อหลุดพน้นจากพบให้ได้ก็สละสมบัติทั้งปวงออกบวชให้เวลาผ่านไปด้วยความสุขอันเกิดจากสมาธิสละชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วได้รับการพยากรณ์คำว่าวินยาเพราะการฝึกฝนเป็นปัญจะมีวิพัฒใช้ในอัดแห่งเหตุเชื่อมความว่า ท่านได้ให้สิ่งที่ต้องการพระชัมระกายกรรมวจี ก, กรรมและมโนกรรมให้หมดจดเพราะท่านกล่าวไว้ว่าท่านผู้รู้อัดแห่งวินยัยเรียกวินัยนี้ว่าวินยัยเพราะมีในต่างๆและมีในวิเศษและเพราะฝึกหัดกายและวาจาทั้งหลายวินัยนี้ก็หมายถึงการ น, นำออกก็ได้นะนำกิเลเอสอกุศลต่างๆที่จะทําให้ร่วงทางกายวาจาให้หมดไป ในคำนั้นคำว่าสกามะดาตาต้องให้พร้อมกับสิ่งที่น่าใคร่คือพอสุมเมธาดาบทนั้นได้รับการพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็ได้ให้สิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่เขาปรารถนากันด้วยอธัธยาศัยที่สลัดออกแก่สัตว์ทั้งปวงก็คือสมบัติประฐานทั้งหมดนี้ยกให้ใครจะมารับเอาแจกนะแจกไม่ไหวนะเจ็ดวันเอาใครอยากได้อะไรเอาไปเลยออกบวชนะถือเวลาในการให้ทานอีกอย่างหนึ่ง พระมหาบุรุษใดย่อมเป็นไปกับด้วยสิ่งที่ต้องการพระมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่ามีสิ่งที่ต้องการเหตุนั้นท่านจึงรวมเอาอาวัยวะและชีวิตเข้าไว้กับวัตถุเครื่องอุปโภคและบริโภคพระมหาบุรุษสละสิ่งนั้นแล้วก็ไม่อาลรในสิ่งนั้นบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบท่วนจนบริบูรณ์นี้เป็นการประมวลเนื้อความในเรื่องนี้อธิบายว่าพระมหาบุรุษเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งใจ คือมีอัธยาิยสัยสลัดออกมอบสิ่งที่ต้องการของตนให้คือสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตของตนให้เพื่อความหมดจดแห่งกายกรรมวิจิกรรมและมโนกรรมเพราะการฝึกฝนและเพื่อละบาปธรรมซึ่งเกิดขึ้นในทวารทั้งสามแล้วถือคือรับบา ร, รมีทั้งหลายได้แก่บำเพ็ญให้สำเร็จพระพุทธรักกิตาจารย์ครั้นแสดงอัิยัยปณิธานอันสมควรแก่อัิยัย และการบำเพ็ญบารมีอันสมควรแก่ปาณิธานนั้นของพระมหาบุรุษนั้นด้บาตรที่หนึ่งอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงว่าพระมหาบุรุษพยายามเพื่ออัตยาสัยใดอัตยาสัยแม้นั้นของท่านก็ได้สำเร็จแล้วจึงกราบบาคาถาที่สองนั้นแหละว่าสกามะดาตาวินยามนันตะคูตรงให้ติ่งอันเป็นที่รักของพระองค์ ทรงบรรลุถึงความสําเร็จแห่งพระอัจฉริยสายตามในเป็นต้นนะซึ่งสองคาถานี้ก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าแปลคนละความหมายกันในคํานั้นคําว่าสกามะดาตามีเนื้อความอันท่านกล่าวไว้แล้วนั่นเทียวคําว่าวิเนียาตามในเมื่อครู่นี้ตามว่าเออเมื่อครู่นี้แปลว่าฝึกหัดโดยฝึกหัดกายวาจานะแต่ว่านี้แปลว่าตามในละความว่า พระมหาบรุษบำเพ็ญโพธิปักิยธรรมส7มสิบเจ็ประการตามสมควรแก่ในพิเศษมีนันทิยาวัตนัยเป็นต้น น, นั น, นทิยาวัตนัยนี่ก็เป็นนัยยะที่พระกะเจยนนะามาแสดงในรายละเอียดนะเป็นนัยยะอยู่ในในห้าในหาระสิบหกนะเนติปกรณแล้วดำเนินไปตามลำดับแห่งมรดได้เป็นพูดถึงที่สุดแห่งใจแล้วได้แก่ บรรลุถึงความสําเร็จแห่งอัธยาศัยพระมหาบุรุษบําเพ็ญบารมีด้วยอัธยาศัยที่สลัดออกก็ได้ทำที่สลัดออกนั้นแล้วก็คือบําเพ็ญเพื่อพระนิพพานก็เลยบรรลุพระนิพพานนั้นด้วยอริยมรรคอธิบายว่าพระมหาบุรุษนั้นได้อุปาดิเสสนิพพานธาตุและอนุปาดิเสสานิพพานธาตุแล้ว ทรงได้อุปาทิเสสานิพานธาตุก็คือภาวะของนิพานที่ยังมีการสวยอารมณ์ที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจรับรู้สุขทุกข์ทางอินทรียห้าและทรงได้อนุปาทิเสสานิพานธาตุคือภาวะของนิพานที่ระงับการสวยอารมณ์ทั้งปวงก็าได้ทั้งสองอย่างนะสาุปาทิเสสานิพานกับอนุปาทิเสสานิพานก็สาุปาทิเสสนิพานก็ได้ตอนที่ สักตรรุที่โพธิมณฑลอนุปาธิเศสนิพานก็ได้ตอนที่ปรินิพานที่ เ, เมืองกุสินารานะพระพุทธรักษิตาจารย์รั้นแสดงความที่พระมหาบุรุษผู้สมควรแก่เหตุได้ผลแล้วด้วยบาทนี้อย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงเจโต ว, วิมุตตและปัญญาวิมุตตของพระมหาบุรุษนั้นจึงกล่าวบาทคาถาที่สามนันแหลว่า กามะดาตาวินยามนานตะคูก็ส้ำกันอีกนะแต่ความหมายก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงให้กิเลสมีสิ่งที่น่าใคร่เข้าไปในสันดานของพระองค์ทรงบรรลุถึงผลสำเร็จตามข้อปฏิบัติในบาฏิถานั้นท่านรวมธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสังกิเลตแม้ทั้งหมดเข้ากับกามตัิหาด้วยคำนี้ว่ากิเลสที่เป็นไปกับสิ่งที่น่าใคร่ทั้งหลาย ชื่อว่ากิเลส ท, ที่มีสิ่งที่น่าใคร่คำว่าอดาตาไม่ทรงให้ได้แก่ผู้กินคือผู้ทาลายธรรมที่เป็นฝักายแห่งสังกิเลส ท, ทั้งปวงให้พินาศไปอีกอย่างหนึ่งคือไม่ให้ทําที่เป็นสังกิเลส ท, ทั้งสิ้นเข้าไปในสันดานของตนพ ร, พ, พระพุทธคีตาจารย์แสดงการละ ก, กิเลสด้วยคำว่าอดาตานี้คาว่าวิเน ญ, ญาตามข้อปฏิบัติความว่า ท่านปฏิบัติตามในต่างๆมีนันติยาวัตนยเป็นต้นกระทำวิชาสามให้แจ้งทําลายกิเลสการมพร้อมทั้งวาสนาพร้อมทั้งอนุสัยแล้วระงับอนุสัยด้วยอรหัตผลที่จรารณานอทำเหล่านั้นด้วยวิมุตติญาณทัศนะก็คือปัจเจเวคัญาณเป็นผู้ถึงสิ่งอันไม่มีที่สุดคือได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วท่านบรรลุเจโตวิมุตติเพราะหลุดพ้นจากกิเลส ด, ด้วยสมาธิในยา น, นั้น บรรลุปัญญาวิมุตต์เพราะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่ปัจจัยปรุงแต่งด้วยปัญญาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธรกิจาอาจารย์ครั้นกล่าวการละ ก, กิเลส ข, ของพระมหาบุรุษนั้นพระสัพพัญญุตยานอันหมดจดดีเพราะละ ก, กิเลสและโทษได้แล้วและความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความงดงามแห่งเทศนาอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ จึงกล่าวบาดคาถานั้นแหลว่าแม้ในวาระที่สี่ว่าสกามะดาตาวินยาะนันตะคูทรงบรรลุผลสูงสุดทรงให้สิ่งอันเป็นที่รักพระองค์ทรงด้วยทรงแนะนำสั่งสอนทรงให้สิ่งที่อันเป็นที่รักของพระองค์ด้วยทรงแนะนาสั่งสอนในบาดสาถานั้นคำว่าอะมนันตะคูอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงบรรลุพระสัพพายุตยานทรงให้สิ่งที่เขาต้องการด้วยทรงแนะนำคือทรงแนะนำโดยวิธีต่างๆมีนันทิยาวัตตะในเป็นต้นได้แก่ทรงให้สิ่งที่เวนยชนทั้งหลายปรารถนาและต้องการแล้วในคำนั้นที่ชื่อว่าในเพราะแนะนำคือสอนให้รู้ถึงความเศ้าหมองและความผ่องแพ้วสังเลตกับบวทานนะโดยการจาแนก ชื่อว่าในเพราะเป็นเครื่องนําความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วเหล่านั้นออกไปบ้างเป็นสถานที่นําความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วเหล่านั้นออกไปบ้างอีกอย่างหนึ่งเพียงการนําไปนั่นแหละชื่อว่าในในเหล่านั้นมีสามอย่างคือนั น, นทิยาวัตยัยติปุคละไนสีหวิกีริตะไนันนี้ก็เป็นในสามในในห้านะโดยความเป็นจริงนั้นมีในทั้งหมดห้าใน ถ้าเป็นหาระมิสุพกเอาไว้พิจารณาพยัญชนะแต่ว่านายะห้านี่เอาไว้พิจารณาอัตทนะแต่สามในเนี่ยก็คือในของนัดนันวิยาวัตตาในแล้วก็ติปุขละในสิหาวิกีฤกษ์สิหาวิกีริตในเนี่นะอันนี้เอาไว้พิจารณาเดี๋ยวจะแสดงนะว่าในความยังไงแต่ว่ามีอีกสองในเนี่ยเป็นวัวหารนัยกับเป็นวัวหารนัยหรือว่าเรียกว่ากรรมมะในนะ ไม่มีการพิจารณาไม่มีการแทงอัดอะไรต่งาง่าเพียงแต่ว่าเป็นการตรวจธรรม ท, ที่ที่ได้แสดงไว้แล้วในอัฐนัยทั้งสามเนี่ยสามในยะแรกนี่เขาเรียกว่าอัฐนัยนะนันทิยาวัตต์ในนั น, นติปุคละในแล้วก็ติหาวิกีเดสปิยะเนี่ยแต่ว่าอีกสองอีกสองในเนี่ยก็คือ อ, อังกุสนยัยกับทิสารโรจนานในเนี่ยเป็นการเหนียวแรดูทิศกับเป็นตะขอเกี่ยวเนี่ยนะก็คือ พิจารณาอัฏฐนัยสามข้างต้นนั่นแหละมันมีการพิจารณาอัฏฐนาัยอย่างอื่นอีกนะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแสดงว่าห้าในยานี้คืออะไรนะวันนี้ก็ขอให้ท่านได้รับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อศรัทธาปิติประโมทแล้วก็น้อมนําคําสอนเหล่านี้มาตรึกมาตรองมาพิจารณาอย่างน้อยก็ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ละโลภะแล้วก็อบรมอาโลภะอย่างยิ่งเลยอาตุสระของพระองค์ก็ไม่มีเพราะเกิดพร้อมกันนะนะ แล้วก็เป็นไปกับปัญญาจึงสามารถที่จะละอกุตณความติดข้องพัวพันผูกพันเหล่านี้ได้มันก็ขอให้อดุจยาัยเหล่านั้นแล้วก็ศรัท ธ, ธาปิติประโมทที่เกิดจากการฟังพระธรรมก็ขอใเป็นตัจใจให้เราได้อบรมเจริญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ได้ในชาตินี้อย่างน้อยก็ขอให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันปิดกั้นอบายภูมิไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะก็ขออนุโมทนาสาธุ สาธุสาธุอะนโมทามิ